ความสำคัญและความสัมพันธ์ของคุณค่าทางจริยธรรมสองด้านยังมีข้อควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสาคัญของคุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองอย่างของไตรลักษ์พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทั้งสองนั้นซึ่งจะนำมากล่าวไว้หนที่นี้ดังนี้ด้านที่1 คุณค่าด้านการทำจิตกับคุณค่าด้านการทำกิจช่วยปิดช่องเสียของกันละกันและช่วยเสริมกันให้เกิดคุณประโยชน์โดยสมบูรณ์คุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระช่วยเสริมคุณค่าด้านการทำกิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทดังนี้ด้านแรก ช่วยให้การทากิจเป็นไปโดยสมบูรณ์คือทำการด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนปมของกิเลสที่แอบแฝงคอยชักพาไปปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามอย่างแท้จริงด้านที่สองช่วยให้การทากิจ ด, ดำเนินไปด้วยความสุขคือปิดช่องเสียสำคัญของนักทมกิจ ที่เมื่อกระตือรือร้อนเร่งรัดทำงานก็มักทำด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายมีความเครียดกังวลมากเพราะทำด้วยถูกแรงกิเลสบีบคั้นเช่นทำด้วยความกลัวด้วยความคิดแข่งขันจิงดีจริงเด่นกันเป็นต้นเปลี่ยนเป็นทำงานด้วยจิตใจที่สงบสุขเบิกบานผ่องใสด้วยความรู้เท่าทันที่ช่วยให้ทำใจเป็นอิสระได้เสมอ นอกจากนั้นในเมื่อผู้ทํากิจเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์หลุดพ้นและความสงบสุขของจิตแล้วการทํางานสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆภายนอกก็จะเป็นไปโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสุขสงบไปด้วยพูดสั้นๆว่าการพัฒนาวัตถุจะดําเหมือนไปพร้อมกับการพัฒนาจิตใจ คุณค่าด้านที่สองคุณค่าด้านการทํากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทช่วยเสริมคุณค่าด้านการทําจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระคือตามหลักสามันที่ว่าคนทั่วไปเมื่อสุขสบายแล้วก็มักประมาทโดยหยุดนิ่งเฉยเสียคือไม่ประตือรือร้อนที่จะทํากิจต่อไปไม่เฉพาะคนผู้สร้างสารรค์พัฒนาวัตถุ หรือแก้ไขปัญหาภายนอกเท่านั้นที่เมื่อเจริญสุขสบายแก้ไขปัญหาสาเร็จแล้วมักจะประมาทแม้แต่คนที่ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วจิตใจหายทุกโลงสบายก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้นแล้วหยุดนิ่งเฉยไม่แก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่ไม่เร่งรัดตนเองให้ทำกิจที่ควรทาทั้งเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกต่อไป คุณค่าด้านการทํากิจของไตรลักษณ์จะปิดช่องเสียนี้แล้วเร่งร้าผู้นั้นให้กระตือรือร้อนทํากิจต่อไปกล่าวโดยย่อในการปฏิบัติที่ถูกต้องคุณค่าทั้งสองด้านนี้จะต้องประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกันการทําจิตจะต้องช่วยการทํากิจให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยให้ทาอย่างบริสุทธิ์และมีความสุขไม่ใช่มาหยุดหรือทวงการทากิจการทากิจก็จะต้องเสริมการทาจิตไม่ให้กลายเป็นความติดเพลินแต่ให้เร่งรัดก้าวหน้าต่อไปการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องทำการด้วยใจมีทุกข์และสบายแล้วหยุดให้กลายเป็นทากิจ ด, ด้วยจิตสบาย และถึงแม้สบายก็ยังทำกิจหรือเมื่อสร้างความเจริญอยู่ก็ไม่มีทุกเมื่อเจริญสบายแล้วก็ไม่นิ่งหยุดสามารถเอาการทำจิตมาคุมการทำกิจและเอาการทำกิจไปสนับสนุนการทำจิตให้ได้ผลสมบูรณ์ด้วยกันและพร้อมกันทั้งสองด้าน ความสำคัญและความสัมพันธ์ของคุณค่าทั้งจริยธรรมสองด้านข้อที่2คุณค่าทั้งสองด้านต่างก็อาศัยปัญญาหรือมีการรวมที่ปัญญาประการแรกในด้านการทำจิตปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้หายติด ถ, ถือมั่นในสังขารสามารถสละละปล่อยวาง ทำใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระยิ่งรู้เท่าทันชัดเจนมากขึ้นก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นบรรลุภูมิธรรมสูงขึ้นและสามารถดํารงอิสระภาพของจิตไว้ได้ตลอดเวลาเช่นเมื่อได้ฌานได้วิปัสสนาก็รู้เท่าทันแม้แต่สุขในฌานในวิปัสสนา น, นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่ติดในสุขนั้น ไม่ติดในฌานในวิปัสสนานั้นเป็นต้นประการที่สองในด้านการทากิจปัญญาที่รู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้เกิดแรงกระตุ้นเร้าเตือนที่จะเร่งทากิจใช้ชีวิตใช้เวลาให้เกิดคุณค่ามากที่สุดความรู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็ทำให้พิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขที่เหตุปัจจัยหรือทําการให้ตรงตัวเหตุตัวปัจจัยความรู้และทําให้ตรงตัวเหตุปัจจัยนี้รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ผ่านมาแล้วเพื่อเป็นบทเรียนและกําหนดเหตุปัจจัยที่จะต้องเกี่ยวข้องในการที่จะกระทําเพื่อป้องกันความเสื่อม และสร้างสรรค์ความเจริญพัฒนาต่อไปด้วยความสำคัญและความสัมพันธ์ของคุณค่าทางจริยธรรมสองด้านข้อที่3คุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองข้อของไตรลักษ์แสดงถึงความสำคัญอย่างยวดยิ่งของหลักไตรลักษ์ดังนี้ ประการแรกไตรลักษณ์เป็นจุดจบของสภาวะสัจจะสำหรับปัญญาจะรู้เข้าใจให้เกิดความหลุดพ้นเป็นอิสระและของจริยธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทกล่าวคือไตรลักษณ์นั้นเป็นสภาวะสัจจะหรือความจริงตามสภาวะซึ่งเป็นเรื่องสำหรับปัญญาจะรู้ข้าใจซึ่งเมื่อรู้ข้าใจเท่าทันแล้ว ก็จะทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระและในเวลาเดียวกันนั้นไตรลักษ์ก็เป็นเครื่องเร้าเตือนทำให้ผู้รู้เข้าใจไตรลักษ์แล้วเกิดความไม่ประมาทเร่งรัดทากิจที่ควรทำและหลีกเว้นการที่ควรเว้นหวนขวายสร้างสรรสิ่งที่ดีงามดยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่างๆประการที่สอง ไตรลักษ์เป็นจุดกำเนิดของจริยธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายข้อนี้ก็มีเหตุผลทำนองเดียวกับข้อแรกคือความสำนึกในไตรลักษ์เป็นเครื่องเร้าเตือนให้ไม่ประมาททำให้เว้นชั่วทำดีทำกิจสร้างสรรทำให้มีการประพฤติจริยธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขึ้นไปจนในที่สุดเมื่อมีความรู้แจ้งชัดในไตรลักษ์โดยสมบูรณ ก็จะทำให้สามารถดำรงจิตเป็นอิสระหลอดโร่งหลุดพ้นเป็นเสรีโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นจุดสุดยอดของจอริยธรรมประการที่สไตรลักษณ์เป็นที่บรรจกของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมกล่าวคือคุณค่าด้านการทำจิต หรือความมีใจหลุดพ้นเป็นอิสระนั้นเป็นคุณค่าในระดับโลกุตระส่วนคุณค่าด้านการทากิจหรือความไม่ประมาทเป็นคุณค่าระดับโลกิยะการที่คุณค่าทั้งสองด้านนั้นช่วยหนุนเสริมซึ่งกันและกันก็เป็นเครื่องแสดงว่าในชีวิตที่พึงปรารถนาโลกิยาธรรมกับโลกุตระธรรมจะอิงอาศัยไปด้วยกันพร้อมๆกัน ดังหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนคือพระอระหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งเป็นบุคคลแบบอย่างสูงสุดเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระแล้วโดยสมบูรณ์และอิสระภาพสมบูรณ์ของจิตนั้นท่านได้ทําสําเร็จแล้วด้วยความไม่ประมาทพระอระหันต์จึงเป็นบุคคลระดับเดียวที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บําเพ็ญความไม่ประมาทแล้วโดยสมบูรณ์เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ทํากิจสําเร็จแล้วด้วยความไม่ประมาท แม้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนด้วยความไม่ประมาทต่อไปมีพุทธพจน์บางแห่งตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหันต์ไว้ว่าเป็นผู้ไม่อาจคือเป็นไปไม่ได้ที่จะประมาทท่านแสดงเหตุผลว่าเพราะกิจที่พึงทำด้วยความไม่ประมาท พระอาหารหันตเหล่านั้นได้ทำเสร็จแล้วแม้คนทั่วไปที่ยังเป็นปุถุชนก็ควรดำเนินตามแบบอย่างของท่านผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วเหล่านี้ด้วยการดาเนินชีวิตที่จะให้ได้คุณค่าทั้งสองด้านของไตรลักษณ์คือทั้งทาจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระเท่าที่จะทำได้ในวิสัยของตนและทั้งทากิจด้วยความไม่ประมาทไปด้วยพร้อมกัน ตามหลักอภิธรรมท่านว่าพระอระหันต์ผู้บรรลุโลกกตระธรรมสูงสุดเหล่านั้นเมื่อทากิจธุระการงานต่างๆย่อมทาด้วยมหากิริยาจิตที่เป็นโลกิยะขั้นกามาวจรคุณค่าทันจริยธรรมทั้งสองข้อของไตรลักษ์แสดงถึงความสำคัญอย่างยวดยิ่งของหลักไตรลักษ์ประการที่สี่ คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์เป็นหลักประกันของศิลธรรมที่สมบูรณ์ซึ่งได้ผลแน่นอนมั่นคงและเด็ดขาดอธิบายว่าสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้คนมีศิลธรรมได้อย่างแน่นอนเด็ดขาดมีสองอย่างคือ 1. จิตไม่เอาคือความรู้สึกของจิตใจที่ไม่เกะเกี่ยวไม่อยากไม่ปรารถนาอามิตรไม่คิดละเมิด หรือคิดที่จะทำผิดใดๆเลยเพราะจิตพ้นไปใจอยู่เหนือไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทําเช่นนั้นเหลืออยู่หมดความเห็นแก่ตัว 2. ความสุขที่ดีกว่าอย่างที่ท่านเรียกว่าความสุขอันประณีตซึ่งเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ขึ้นต่ออามิ t h ไม่ต้องอาศัยการกระทําที่ผิดศีลธรรมเลย ว่าที่จริงเพียงข้อหนึ่งอย่างเดียวก็เป็นหลักประกันที่เพียงพออยู่แล้วสำหรับความเป็นอยู่ที่จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมหรือละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมส่วนข้อที่สองเป็นคุณค่าที่เสริมย้ำเพิ่มให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีกคุณค่าข้อที่หนึ่งของไตรลักษ์คือคุณค่าด้านการทาจิตหรือคุณค่าเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิต อำนวยสิ่งที่จะเป็นหลักประกันของศีลธรรมทั้งสองข้อนี้กล่าวคือความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษ์ย่อมทำให้จิตใจเป็นอิสระอายติตผูกพันสลัดพ้นไปลอยตัวไม่เห็นสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆว่าน่าเอาน่าเป็นหรือน่าเกลียดน่าชังที่จะเป็นเหตุให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยยะหนึ่งว่าศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้ประพฤติผิด ศ, ศีลธรรมนั้นเลยอีกประการหนึ่งความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างประนีตลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศีลธรรมนั้นคือผู้หลุดพ้นมีความรู้สึกเป็นเสรี หลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานผ่องใสและบางท่านก็อาจจะได้สมาธิได้ชานที่ทำให้มีความสุขประณีตแบบต่างๆได้อีกเมื่อมีความสุขอยู่แล้วและเป็นสุขที่ดีกว่าก็จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้นั้นยอมจะไม่เกิดความคิดใดๆที่จะละเมิดศีลธรรมเพื่อหวังความสุขที่ตนยังไม่ได้แต่การประสบไตรลักษณ์อย่างไม่รู้เท่าทันกลับทาให้เกิดทุกข์ อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เป็นหลักประการข้อที่สองคือความสุขที่ปราณีตยอย่างเดียวถ้าเป็นสุขในระดับโลกิยะเช่นได้ชานเป็นต้นก็ยังไม่เป็นหลักประการที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์พระผู้ได้สุขปราณีตระดับโลกิยะอาจถอยกลับมาหมกมุ่นในสุขหยาบๆยาบได้อีกจะให้ปลอดภัยแท้จริงต้องไดหลักประการข้อที่หนึ่งคือจิตไม่เอาด้วย มิฉะนั้นก็ต้องเป็นสุปราณีดขั้นโลกุตระซึ่งก็ยอมมาด้วยกันกับหลักประการข้อที่หนึ่งอยู่เองเป็นธรรมดาบุคคลโสดาบันเป็นผู้ที่มีหลักประการทางศีลธรรมทั้งสองข้อที่กล่าวนี้อยู่กับตัวแล้วจึงเป็นผู้มีศีลธรรมสมบูรณ์จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆเลยอย่างแน่นอน แม้โดยหลักการท่านก็เรียกว่าพระอริยะบุคคลหรืออริยชนตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ดังนั้นถ้าต้องการให้ศีลธรรมแพร่ทั่วไปในสังคมอย่างมั่นคงก็จะต้องพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้เป็นโสดาบันจึงจะประสบความสำเร็จแท้จริงถ้าไม่สามารถสร้างหลักประการสองอย่างนี้ขึ้น ความหวังที่จะให้สังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เป็นไปได้ยากเพราะมีเชื้อหรือความโน้มเอียงที่จะละเมิดศีลธรรมอยู่ภายในตัวคนทั่ ว, วไปอันได้แก่จิตที่จะเอาหรือกิเลสที่จะละเมิดในกรณีเช่นนี้การสร้างเสริมศีลธรรมจะต้องใช้วิธีสร้างระบบการบังคับควบคุมการข่มฝืนหรือใช้พลังอย่างอื่นที่แรงกว่ามากดหรือท่วมท้นออกไป ซึ่งย่อมไม่ปลอดภัยจริงและไม่ได้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สำเร็จผลด้วยดีของวิธีการเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปเช่นคนในยุค ป, ปัจจุบันนี้เองได้เล่าเรียนกันมามากๆทั้งที่รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่เพราะตกอยู่ในอำนาจของความอยากความชังความหลงมัวเมา คือโลภะโทสะโมหะก็ละเมิดศีลทำการที่เป็นการเบียดเบียนตนเองเช่นดื่มสุราเป็นทาตยาเสพติดบ้างเบียดเบียนสังคมเช่นทุจริตแย่งชิงเอาเปรียบคนตลอดจนตัดไม้ทําลายป่าบ้างคําชี้แจงโดยเหตุผลก็ดีการใช้กฎหมายบังคับก็ดีปรากฏว่าได้ผลน้อยกว่าที่ควรไม่แน่ไม่จริงบางทีเหมือนเล่นเอาเถิดกัน ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันของศิลธรรมอย่างที่กล่าวข้างต้นมนุษย์ทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี้ในการรักษาหรือส่งเสริมศิลธรรมซึ่งได้ผลมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่เด็ดขาดคือใช้พลังความกลัวโดยขูบ่บังคับด้วยอำนาจของคนได้แก่การวางกฎเกณฑ์กฎหมายและระบบการลงโทษซึ่งจะมีการพยายามหลบเลี่ยง ทำให้ต้องวางระบบการควบคุมซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจจะมีความทุจริตในระบบเช่นการสมคบกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทำให้การรักษาศีลธรรมได้ผลน้อยลงน้อยลงใช้พลังความกลัวโดยขู่ด้วยอำนาจเร้นลับเช่นเท พ, พเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งในสมัยที่คนเชื่อก็ได้ผลไม่น้อย แต่เมื่อคนมีความรู้อย่างปัจจุบันมากขึ้นก็ได้ผลน้อยการใช้พลังความกลัวในข้อนี้รวมไปถึงความกลัวต่อการไปเกิดในโนโรกด้วยใช้พลังความกลัวโดยบีบด้วยอำนาจเกียรติยศและความนิยมนับถือคือใช้อำนาจบีบคันของสังคมทำให้กลัวความตีเตียนความเสียชื่อเสียงเป็นต้น สำหรับบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลถึงแม้ได้ผลก็ไม่เด็ดขาดเช่นอาจจะลอบทำหลบทำใช้พลังความอยากโดยล่อด้วยรางวัลหรือผลตอบแทนทั้งจากคนด้วยกันจากเทพเจ้าหรืออำนาจเร้นลับศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการไปเกิดในสวรรค์ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามกาลเทศะไม่แน่นอน ใช้พลังมโนธรรมโดยร้าความละอายแก่ใจความเคารพตนเองและความมีสติสัมปชัญญะพลังข้อนี้น้อยคนจะมีมากคนส่วนมากมีพลังนี้น้อยมักพ่ายแพ้แก่พลังความอยากเป็นต้นจึงรักษาศีลธรรมไว้ได้เพียงบางส่วนโดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งล่อเร้าเย้ายวนมากและมีค่านิยมหยาบพลังมโนธรรมนี้ก็คุ้มครองไม่ได้มาก ใช้พลังศรัทธาโดยเราให้จิตลั่นพุ่งดิ่งไปในอุดมคติอุดมการหรือสิ่งสูงส่งดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าซึ่งทำสาเร็จได้ยากและแม้สาเร็จแล้วก็ไม่แน่นอนอาจกลับกลายเป็นอื่นไปได้เพราะความเชื่อเป็นการขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่ใช่ความรู้จริงและก็ยังไม่หมดเชื่อกิเลสภายใน ซึ่งอาจกำเริบมีกำลังแข็งกล้าขึ้นมากลบทับศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได้หรือศรัทธานั้นก็อาจจะจางลงและหายไปเองข้อนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดับเจโตวิมุตขั้นตนๆด้วยใช้พลังสันทาโดยเร้าให้เกิดความอยากสร้างสรรสิ่งที่ดีงามหรือความายดี ข้อนี้เป็นพลังตรงข้ามหรือคู่ปรับโดยตรงกับพลังตันหาที่เป็นตัวการให้ประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรมในกรณีที่ยังไม่สามารถสร้างความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตขึ้นได้ความมุ่งเน้นการสร้างพลังฉันทะนี้เพราะเป็นพลังที่เป็นกุศลเจือด้วยปัญญาและส่งต่อถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยตรงกว่าข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะมีพลังชนิดใดอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติก็ต้องอาศัยสัญญมะคือการบังคับควบคุมตนเองเป็นหลักในการทําให้ศีลธรรมสํำเร็จผลดังนั้นในการพัฒนาคนด้านศีลธรรมจึงต้องฝึกให้คนมีความเข้มแข็งรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งความสําเร็จผลจะง่ายหรือยากและผลจะดีมากหรือน้อย ก็ขึ้นต่อพลังหนุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยในบรรดาพลังที่กล่าวมานั้นพลังที่จัดว่าอยู่ในขั้นปราณีก็คือพลังมโนธรรมพลังศรัทธาและพลังชันทะแต่ทั้งนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าพลังเหล่านี้จะยังไม่สามารถให้ผลแน่นอนเด็ดขาดศรษธรรมของสังคมจะมั่นคงแท้จริง ก็ต่อเมื่อคนเข้าถึงสิ่งที่เป็นหลักประกันของศิลธรรมสองอย่างซึ่งทำให้มีศิลธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนวัตคือจิตที่พ้นและสุขที่ปราณีตซึ่งไม่ขึ้นต่ออามิตรดังได้กล่าวแล้วข้างต้น คุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองข้อของไตรลักษ์แสดงถึงความสำคัญอย่างยวดยิ่งของหลักไตรลักษ์ประการที่หความไม่ประมาทซึ่งเป็นคุณค่าทางจริยธรรมข้อที่สองของไตรลักษ์นั้นเป็นเครื่องเร่งเร้าให้เกิดความก้าวหน้าในธรรมและพร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในธรรมด้วยดังเด็กล่าแล้วว่าพระอารหันต์เป็นจุดสุดยอด เป็นที่บรรจบร่วมและเป็นที่แสดงออกทั้งของความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์และการที่ได้บำเพ็ญความไม่ประมาทด้วยสมบูรณ์เป็นจุดสมบูรณ์ทั้งของการปฏิบัติทางจริยธรรมและของความรู้แจ้งเข้าถึงสัจธรรมเป็นที่ประสานกลมกลืนของความปล่อยวางไม่ยึดมั่นกับการกระทำอย่างเอาใจใส่จริงจังเป็นจุดเต็มแห่งการบรรลุโลกุตระธรรม และการปฏิบัติถูกต้องต่อโลกิยธรรมเป็นที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งตรงข้ามกันแต่ที่จริงสอดคล้องไปด้วยกันได้อย่างไรไม่ใช่เพียงสอดคล้องไปกันได้เท่านั้นแต่ยังช่วยค้ามชูส่งเสริมกันอีกด้วยความไม่ประมาทเป็นศูนย์รวมของจริยธรรม และเป็นตัวเร่งให้เกิดการกระทาตลอดกระบวนการแห่งปฏิบัติการทางจริยธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดดังมีพุทธพจน์ตรัสเรียกว่าเป็นดุดรอยเท้าช้างที่ใหญ่ซึ่งคุมรอยเท้าของสัตว์บกอื่นๆได้หมดทุกชนิดความไม่ประมาทคุมคุณธรรมข้ออื่นทุกอย่างให้ออกทำงานคุณธรรมข้ออื่นๆ ต้องมีความไม่ประมาทออกร่วมปฏิบัติงานถ้าประมาทเสียอย่างเดียวคุณธรรมข้ออื่นๆถึงแม้มีอยู่มากมายกล่าวถึงเต็มไปทั่วคัมภีร์ทั้งหลายก็เงียบเฉยเหมือนไม่มีหรือนอนตายแล้วทั้งหมดเปล่าประโยชน์ต่อเมื่อไม่ประมาทแล้วคุณธรรมทั้งหลายจึงจะสำแดงผลอย่างแท้จริง แต่สำหรับบุคคลที่มีกิเลสจิตยังไม่หลุดพ้นความไม่ประมาทมักจะถูกทวงรั้งให้ย่อหย่อนหรือหยุดเฉยกลายเป็นความประมาทเสียบ่อยๆเพราะมัวติดเพลินอยู่ในอา mith และในอารมณ์ที่ล่อให้ลุ่มหลงหรือเควไปเสียบ้างถูกกิเลสเช่นตันหาพาให้เกียดร้านห่วงกังวลหรือทะเลทลายเสียบ้างการปฏิบัติจริยธรรมจึงบกพร่องอยู่เนื่งเนือง หรือไม่สำเร็จผลเลยในทางตรงข้ามยิ่งมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระมากขึ้นก็ยิ่งไม่ติดเพลิในอามิตรและในอารมณ์ที่ล่อหลอกและไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่มีเครื่องถ่วงรังไว้จึงยิ่งจะเป็นผู้ไม่ประมาทเร่งรัดทรรมกิจที่ควรทำได้มากขึ้นความเป็นอิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันให้ต่างก็สมบูรณ์ไปด้วยกันชะนี้พร้อมกันนั้นหลักความไม่ประมาทเท่าที่กล่าวมาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้สำนึกว่าทุกคนแม้เป็นอริยะแล้วในชั้นต้นๆปราบได้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลก็ยังมีจุดอ่อนอาจไปติดเพลนในความสุขสบายและอิ่มพอในผลสำเร็จที่ลุถึงแล้วกลายเป็นผู้ประมาท คือพลังพลาดเอากุศลธรรมและคุณวิเศษที่ได้บรรลุแล้วเป็นปัจจัยแห่งความประมาทไปเสียจึงต้องเตือนตอนอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมันสร้างความสังเวชคือคอยเร้าเตือนจิตสํานึกให้คิดที่จะไม่ประมาทอยู่ตลอดทุกเวลาในเมื่อคนทั้งหลายมีเชือ้อหรือมีความโน้มเอียงที่จะเป็นผู้ประมาท จึงเป็นธรรมดาว่าในหมู่ชนที่อยู่รวมๆกันมากก็ตามน้อยก็ตามจะต้องมีคนอย่างน้อยส่วนหนึ่งที่ตกอยู่ในความประมาทจึงเป็นความไม่ประมาทอย่างหนึ่งของคนผู้ไม่ประมาทที่จะทำตนเป็นกัลยาณมิตรช่วยเราเตือนให้คนเหล่านั้นถอนตนจากความประมาทและกลายเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยความมีกัลยาณมิตร หรือกั ล, ลยาณมิตรตาเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านให้ใช้เป็นคู่เสริมกันกับความไม่ประมาทเพื่อจะให้ตอบได้ซึ่งคำถามว่าคุณธรรมข้ออื่นๆก็นอนเป็นตายหมดในเมื่อประมาทและก็เมื่อประมาทแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ทุกมาบีบคั้นเสียก่อนกล่าวโดยสรุปทุกคนพึงไม่ประมาท คือเร่งรัดทำกิจหน้าที่ทั้งเพื่อประโยชน์ตนคือเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือเพื่อช่วยผู้อื่นให้พัฒนาเช่นผู้ปกครองรัฐพึงไม่ประมาทในการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยเป็นสุขจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลแก่ความอยู่ดีมีสุขและการแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาของประชาชน พระเถระพึงไม่ประมาทในการเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนขนขวายบำเพ็ญกิจเพื่อเห็นแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังหรือปัจจิมาชนตาและทาการทุกอย่างที่จะให้สศรธรรมดำรงมั่นเพื่อประโยชน์สุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนานพระภิกษุทุกรูปพึงไม่ประมาทในการบาเพ็ญสมณธรรม และในการทําจิตของประชาชนให้ผ่องใสสร้างความรู้สึกร่มเย็นปลอดภัยทั้งด้วยความประพฤติที่ปราศจากการเบียดเบียนของตนเองและด้วยการสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีงามทําสังคมให้ร่มเย็นคนทุกคนพึงไม่ประมาทในการบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการทําตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ และในการบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นด้วยการช่วยให้เขาสามารถพึ่งตนโดยมีตนที่พึ่งได้พัฒนาจิตปัญญาเพื่อเข้าถึงประโยชน์สุขสูงสุดที่จะให้มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระและเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันหนึ่งเนื่องด้วยเป็นสามานวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่ว่าเมื่อเจริญก้าวหน้าแก้ปัญหาสำเร็จ มีวัตถุพรั่งพร้อมอยู่สุขสบายแล้วมักจะประมาทหรือมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายยอมรับความจริงทำจิตปรับในปรงใจได้แล้วก็มักประมาทจึงเป็นธรรมเนียมของพระาศาสดาผู้นำและผู้บริหารที่ดีจะต้องทำตนเป็นกัลยาณมิตรใหญ่คอยหาอุบายเร่งร้าวอยู่เสมอทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วยการแนะนาสั่งสอนบ้าง สร้างสถานการณ์ปลุกใจบ้างทำเหตุบีบคั้นที่ไม่เสียหายบ้างเพื่อกระตุ้นเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท